รวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวคกภูตคามวักมีสิบสิกขาบทคือ 1. พึ่งภูตคามมะสิกขาบทว่าด้วยการพรากภูตคาม 2. อัญญาวาทกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อน 3. าอุจชาปนกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ 4. ปฐมเนสนาสนะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะข้อที่1 2. ทุติยเนสนาสนะสิกขาบท ว่าด้วยเสนาสนะข้อที่2 6. อนุปปะขัดชะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซง 7. นิกกต์ธนสิกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออก 8. เวหาสักุติสิกขาบทว่าด้วยกุดดีชั้นลอย 9. มหันละกาวิหารสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่ 10. สัปปานากาสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิต